พูดถึงคำว่ากรรมปั๊บเนี่ยนะเรานึกถึงส่วนไหนของชีวิตนะถ้าหากว่าถามว่าถามว่านึกพักนึกถึงกรรมใช้คําว่ากรรมเรานึกถึงอะไรทุกคนบอกว่านึกถึงเจตนาแสดงว่าคล่องแนละ้วตอบคลองแนละ้วเอาใหม่ถ้านึกถึงกรรมแนละ้วส่วนไหนของชีวิตถ้าพูดถึงคําว่ากรรมปั๊บเนี่ยเรากําลังจะพูดอะไรนะั่นอ่ะเจตนานั้นคือตัวกรรมนะสมมุติถ้าเราเห็นปั๊บเราคิดอะไรนะ นี่แหละคือกรรมความคิดนึกที่เป็นไปในขณะเห็นนี่แหละนั่นแหละทีนี้ไอในความคิดนึกตัวนี้นะที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีผลไหมถ้ามีผลมีเมื่อไหร่เหนนไหมสิ่งที่ทำคำที่พูดใช่ไหมอา ราที่นี่เราก็นึกว่าสิ่งที่เรากาลังทำความนึกคิดที่เรากาลังทำเนี่ยนะัคือเจตนากรรมถ้าเรามีศรัทธาว่าสิ่งที่เราทำคำที่พูดเจตนาที่เป็นก่อเนี่ยมีผลนั่นแหละก็เรียกว่าเริ่มมีตถาคตโพธิศรัทธาแล้วเพราะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องเรื่องกรรมเป็นอันดับแรกสิ่งเหล่านี้มีผลน ะ, ะนะแล้วในชีวิตในขณะที่เราแสดงออกนี่เป็นผลเป็นเหตุใหม่ ส่วนที่เป็นวิบากเช่นทวิปัญจรับเนี่ยขณะเห็นปั๊บเนี่ยพวกนี้เป็นผลของกรรมตาเห็นปั๊บจิตเห็นเป็นผลของกรรมหูได้ยินเป็นผลของกรรมนียเรามีความรู้เรื่องนี้เป็นอัธยาสัยเราไหมถ้าความเข้าใจในเรื่องกรรมนะต้องเข้าใจเป็นอัธยาสัยเลยท่านั่งเฉยๆท่านทํากรรมได้ไหมเอางี้ดีกว่าท่านนั่งเฉยๆนั่งอยู่กับบ้านเฉยๆน่ะนะเออทํากรรมอะไรหรือเปล่า นั่แหละเคยคิดไหมว่าไอ้จิตที่คิดจะตอบนั่นแหละทากรรมนั่นแหละเจตนาที่เกิดพร้อมกับคําคิดเพื่อที่จะตอบคําถามคิดที่จะรู้เจตนาตัวนั้นเป็นตัวกรรมกรรมตัวนี้เป็นมโนสันเจตนาหารซัดไปในภพสามแต่ของเราน่าจะไม่ถึงสามหรอกสองก็ไม่ได้ด้วยนะรูปประพบการรูปประพบตัดออกเลยหมดสิทธิ์เพราะั้นการนึกคิดพวกนี้นะที่คิดจะตอบคําถามพวกนั้นเป็นเจตนาที่เป็นไปใน เป็นกามมภพนะเรียกว่าเป็นกรรมพบภพเจตนาที่เป็นกรรมพภพเจตนาตัวนี้ซัดไปในปฏิสนธิเป็นอุปาติภพประเภทกรรมประเภทกามนะทีนี้เราจะเห็นว่าเพรา ะ, ะความนึกคิดเหล่านี้มีอะไรเป็นปจัจจัยรู้ไหมมีเจตนาตัวนั้นมีอุปาทานเป็นปจัจจัย นะกามุป่าฐานเป็นต้นเป็นปัใจจัยให้ความนึกคิดอันนั้นเกิดขึ้นมันซับไปในทันทีเลยนะไอ้ตัณหาตัวนั้นเป็นเหมือนกับแม่ก่อให้เกิดเจตนาตัวนั้นเป็นตัวนำเกิดนั่นแหละเพรา ะ, ะถ้าหากว่าผู้ที่เจริญธรรมะประเภทมโนสันเจตนาหานมากๆก็เหมือนกับบรุรสองคนนี่ฉุดคร่าไปตกในหลุมฐานเพลิงไอ้เจตนาตัวนั้นมันฉุดเราไปในภพสามแต่ของเราเนี่ยไม่ถึงสาม ของอตาตมานเนี่ยไม่ถึงสามเหลือแต่กามมาพบทีนี้บอกออชีวิตประจำวันอาหารอร่อยเหลือเกินอย่างเงี้ยกามมาพบง่ายๆเลยเพราะถ้าหากว่าพูดที่ยังยินดีในกามนะอย่าพูดถึงฌานเลยเพราะว่าคนที่ที่จะเจริญฌานได้นะจะมองเห็นว่ากามทั้งหลายเหมือนความฝันกามทั้งหลายเหมือนหัวงูเหา่ากามทั้งหลายเหมือนของขอยืมกามทั้งหลายเหมือนผลไม้มีพิษกามทั้งหลายเหมือนร่างกระดูก คือความอัธยาศัยของเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเห็นโทษของกางเป็นอัธยาศัยเขาจึงสามารถที่จะรักษาฌานจิตได้เรียกว่าการเห็นโทษของกลามเนี่ยมันเป็นประตูทําให้จิตที่จะเป็นรูปภาวจรนี่ใช่ไหมเจนพาะเจนพาบ์บังคนนั้นเนี่ยรังเกียจกางเห็นโทษของกามใช่ไหมครับเจนพาบ์นะครับ ก็เป็นประตูให้จิตเนี่ย น, นะเป็นชาณาจิตเป็นชาณาจิตใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าไม่รังเกียจมันจะเป็นประตูได้ไหมครับถ้าไม่รังเกียจยังชอบอยู่คือมันอาจจะเป็นแต่ทีนี้มันเมื่อไหร่อ่ะนีอาจจะเป็นประตูของชาติต่อๆอไปอาจจะคิดได้ชาญอะไรเงี้ยนะ <c oughs> แต่ชาตินี้นะบางคนไม่ความคิดที่จะเจริญชาญแทบไม่มีในในความคิดเลยอย่างเงี้ย มันจะเป็นประตูได้ยังไงมันก็เป็นไม่ได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นคนที่ที่จะได้ฌานเจตนาที่เป็นไปกับฌานเพื่อให้ไปปฏิสนธิในภพต่อๆไปเจตนานั้นคนนั้นต้องเป็นไปกับพรหมวิหารเป็นต้นนั่นแหละเป็นไปกับพรหมวิหารทีนี้เจตนาที่เป็นไปกับพรหมวิหารเราไม่หนาแ น, น่นจริงๆฌานาจิตก็ไม่เกิดนะถ้ากุศลจิตไม่เกิดอย่างต่อเนื่องจริงๆเลยนะฌานาจิตเกิดไม่ได้ อันมหากุศลที่เป็นเขาเรียกว่าอุปจาระสมาธิคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิต้องเกิดมากจริงๆจึงจะิกฌานจิตจึงจะเกิดได้นี่นี้สําหรับผู้ที่ไม่เคยอบรมมาเว้นไว้แต่ว่าคนที่เคยได้คนที่มีอุปนิสัยเก่ามาชาติที่แล้วเขาได้ฌานมาอย่างเงี้ยก็จะไม่ยากนะแต่ถ้าธรรมดานะเจริญฌานหนึ่งพันคนนะยังมากได้ฌานคนหรือสองคนนั่นแหละ แต่ถ้าเป็นประเภทเมตานะคิดจะเจริญก็เป็นกุศลแล้วนะขณะที่เจริญถึงไม่ได้ชานก็เป็นกุศลเพราะฉะนั้นควรเจริญเข้าไว้ได้ไม่ได้ชานก็อีกเรื่องหนึง่งแต่การเจริญเมตตาก็เป็นบุญยะกิริยาวัตถุข้อหนึ่งซึ่งเป็นประเภทภาวนาใหม่ซึ่งพระองค์ทรงทรงยกย่องทรงสรรเสริญในการเจริญเมตตาในอัชราตวักนะวักว่าด้วยการดีดนิ้วมือเนี่ยพระองค์เนี่ยยกย่องเมตามากนะอะไร อันกุศลแต่ละอย่างนั้นจะเกื้อกูลต่อกันนั่นแหละมหากุศลเรื่องทานเกื้อกูลต่อมหากุศลประเภทศีลมหากุศลประเภทศีลจะเกื้อกูลต่อกุศลศีลด้วยกันนะคือศีลไม่ใช่มีข้อเดียวถ้ายิ่งยิ่งเป็นพระด้วยเราจะรู้เลยว่าศีลไม่ใช่ข้อเดียวนั่นแหละศีลจะเกื้อกูลต่อกันมากกุศลศีลชนิดนี้เกื้อกูลต่อกุศลศีลแบบนั้นอ่ะกุศลศีลทางตา เกื้อกูลต่อกุศลศีลทางหูนะถ้าเราไม่อยากดูเรื่องนี้ปับ๊บการฟังมันก็ไม่เกิดนะกุศลศีลอันนี้ก็จะเกิดได้นะถ้ากุศลศีลบางอย่างเกิดบ่อยๆขึ้นนะประเภทกุศลประเภทภาวนาจะเกิดง่ายนะกุศลศีลดีนึกถึงพุทธคุณก็เบานึกถึงธรรมคุณสังฆคุณเป็นต้นก็ก็ง่ายไ ม, ไม่ยากแต่ถ้ากุศลศีลเราไม่ค่อยเกิดบ่อยนัก อกุศลภาวนาก็ก็ไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันนะเราทํากรรมตลอดเวลาเลยนะครับเราเห็นว่าในในชาวนะเนี่ยในชาวนะทั้งหลายเจ็ดวงนี่นะครับไม่ว่าเป็นอกุศลชวนาอกุศลชาวนะเนี่ยนะครับนี่เป็นเรื่องเราทํากรรมตลอดเวลาเลยอะ่ะแล้วทุกวันนี้เรานั่งนั่งอยู่ตอนนี้ก็ทํากรรมตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้เรื่องกรรมนี่ไม่ได้แน่ต้องจําเป็นต้องรู้เร่งด่วนด้วยนะเราเห็นว่าเขาสอนสอนกันเนี่ยนะธรรมะ ธรรมะในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะเรามักจะสอนเลยฐานะอะเลยเถิดขึ้นไปสูงสูงขึ้นไปเนี่ยนะเช่นในโรงในในโรงเรียนเนี่ยน ะ, อะสอนเด็กๆ เ, เนี่ยไปถึงนูน่นน่ะไปนั่งสมาธิอะไรอย่างนั้นน่ะนั่นน่ะมันเลยเถิดขึ้นไปมากๆเลยอะ่ะคือเรื่องกรรมนั้นเป็นเรื่องที่น่าน่าสนใจมากเพราะว่าแม้แต่อุทจจะสมประยุทธ์ยังมีวิบากนั่นแหละ ขนาดว่าอุทจฉาสัมปยุทธ์นะซึ่งเป็นแค่จิตซึมซึมเซ่อไปอย่างไงั้นแหะไม่รับอารมณ์ไม่มั่นอะไรทั้อย่างอุทจฉาสัมปยุทธ์ยังมีผลเลยมเมื่ออุทจฉาสัมปยุทธ์มีผลเนี่ยก็จิตของพวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นส ม, มุติถ้าทางตาเนีจิตชาติวิบากในในวิถีทั้งหมดเลยเนะจิตชาติวิบากเกิด น, นะคือหนึ่งจากโควิญญาณ 2. สองสัมปติชนะ 3. สามสันติรณ ะ, ะเนี่ยชาติวิบากสาม ชาติกุศลอกุศลเจในชาวนะแล้วส่วนใหญ่จะต่อด้วยมโนทวารวิถีสามสี่ 3, วิถีในชาวนะมโนทวารวิถีนั้นเป็นกุศลกับอกุศลตลอดอันวิบากเรารับนิดเดียวที่เป็นผลของกรรมเก่านะทากรรมใหม่เนี่ยเอะเยอะเลยนะรับผลแต่ทำกรรมใหม่เนี่ ย, ย, ย, นะรร ม, ม, ยมากเป็นสิบเท่าอ่ะก็ในเมื่อโมหะมรูรจิตประกอบด้วยอุทะจาศัมปยุทธเนี่ยนะ ไม่นําเกิดก็จริงอยู่นะแต่ว่าให้ผลในประวัติการนะควาหลังเกิดแล้วเนี่ยไอ้โมหะเสเสซาซานี่ไม่รู้เรื่องเนี่ยประกอบด้วยอุท ธ, ธจารเนี่ยยังให้ผลในประวัติการนะ <c oughs> คิดดูสิเราจะป่วยกล่าวไปยายถึงโทสะสองโมหะที่หลืออีกหนึ่ง <c oughs> โลภะอีกเท่าไหร่8 <c oughs> ใช่ไหมนะนี่นี่ไฟเร็ <c oughs> วนะไฟเร็วนะนี่ให้ผลเนี่ยนะไฟดีไม่ต้องพูดถึงอ่ะนะเนี่ยโอ้โหมไม่น้อยทีเดียวอ่ะ ให้ผลหมดอ่ะคือในเรื่องของการเจริญกุศลธรรมนะถ้าหากว่าเราไม่มั่นคงในเรื่องกรรมจริงๆแล้วในในชีวิตแต่ละขณะทางตาทางหูนะถ้าเรื่องกรรมเราไม่ชัดเจนวิปัสสนาเราเนี่ยจะอ่อนกำลังมากเลยนะจะจะไม่ชัดเจนเลยแม้แต่อุปนิสัยเพื่อจะรู้อริยสัจเราก็จะมีน้อยมากหรือจะมียากมาก เพราะอะไรเพราะเราจะไม่เห็นโทษของวัตาเลยนะจะไม่เห็นโทษของอาวขณะเห็นนี่จิตเห็นเป็นวิปากวัตใช่ไหมกิเลส ท, ที่ยินดีในอารมณ์นั้นนั้นขณะนั้นเป็นกิเลสวัตกิเลสคือนั้นก็ตันหาตันหาปั๊บในเจตนาเกิดร่วมกับตันหาเป็นกรรมวัตนะถ้าไม่เห็นเรื่องกรรมและผลของกรรมจริงๆนะที่จะเห็นโทษของวตะจริงๆก็ไม่ใช่ของง่าย ไม่ใช่ของง่ายนะทีนี้ไอ้วัตตะเหล่านี้คือกรร ม, มวัดนีปากวตดทีนี้เมื่อไรเราจะเห็นว่านี่คือสังสาระนะนี่คือลำดับแห่งขันธาตุอายตนะที่ไหลสืบเนื่องกันไปเป็นสิ่งที่น่าเบื่อน่ายก็ไม่ใช่ของง่ายถ้าหากว่าความชัดเจนในเรื่องราวเหล่านี้เรามีไม่เพียงพอนั่นแหละแต่ความชัดเจนเหล่านี้มีเพียงพอต่อเมื่อกุศลธรรมเราเกิดหนาแน่นขึ้นถ้ากุศลธรรมเราเกิดอ่อนมาก เราก็จะหนักไปประเภทโทมานต์มากเหมือนกันนั่นแหละถ้าหากว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเครียดๆอยู่แล้วจะโทมานต์จะเกิดบ่ายนั่นแหละฮันต้องเจริญกุศลละจิตบ่อยๆเสร็จแล้วก็พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆฮัลกุศลนั้นเจริญไม่ยากถ้าเราเข้าใจวิธีเจริญนั่นแหละถ้าเราเข้าใจวิธีการเจริญกุศลเป็นต้นเนี่ยเจริญไม่ยากอย่าง น, น้อยที่สุดนะเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามนโนกรรมก็สามารถที่จะเกิดได้นะเคยคิดจะให้คนมีความสุขไหม นั่นแหละอันน่ะพ่อพูนความคิดอันนี้ไว้มากมากในอุปทานทั้งสี่อย่างนะคะเ จ, จะมีอยู่สามสามอย่างที่ละด้วยโซดาปัฏิมัคใช่ไหมค ะ, ละกลาม อ, อุปธทานนี่ไม่ทราบว่าละด้วยอรหัรหตมักอรหัตมักเจนผา อ, อ, อันนั้นคะไม่มากกับสกธาคนนะไม่มีะะกลางมุปาทานองค์ธรรมได้แก่โลพาเจ ต, ตสิกเมื่อโลพาเจ ต, ตสิกนั้น พานาคามีท่านยังยินดีในชาณจิตยังยินดีในในพบความยินดีอ น, นั้นก็เป็นกามุปาทานเพราะฉะนั้นไอโลภ้าเจตสิกตัวนั้นเนี่ยพระอรหันจึงจะละได้ไ mm hmm. ม่ใครมีอะไรจะสนทนาบ้างไหมที่เจริญเมตตาเขาเจริญเป็นลำดับนะส่วนใหญ่เนี่ยนะคนนั้นต้องมีเมตตากับตัวเองอยู่แล้วคล้ายๆกับ การเจริญกุศลธรรมทุกอย่างต้องรู้เรื่องสติเป็นอย่างดีอย่างใช่ไหม อ, อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะเขาต้องเห็นโทษของโทสะนะแล้วเห็นอันนี้สองของเมตตาเพราะฉะนั้นเมตตานั้นก็คือลักษณะความเป็นมิตรเั้นบุคคลคนนั้นต้องมีจิตเมตตากับตัวเองมากทีนี้เมื่อมีจิตเมตตากับตัวเองปั๊บเนี่ยนะให้เจริญไปหาบุคคลที่เราเกิดเมตตาจิตง่ายเช่น อ่ะ น, นะคนที่เคารพพ่อนะถ้าเป็นผู้ชายเคารพพ่อก็จเจริญไปหาคุณพ่อที่มีชีวิตอยู่นะและเอาคนมีชีวิตด้วยถ้าผู้ใดที่มีแม่และเคารพคุณแม่แแมก็จเจริญเมตตาไปหาแม่นั่นแหละเปิบนะั่นก็คือคิดในแง่ดีๆกับกับคุณแม่ใช่ไหมให้มีความสุขให้มีความเจริญนะนั่นแหละก็คืออย่ามีโรคภัยเบียดเบียนนะอย่าเจ็บป่วยนะให้มีอายุยืนคล้ายๆกับมีเมตตาจิตปรารถนาดีกับกับท่านเหล่านั้น ก็ผู้ที่มีพระคุณต่อเราเนี่ยนะฮะท่าลองนึกดีครับในชีวิตเราเนี่ยจะต้องผู้ที่มีพระคุณนอกจากพ่อแม่แล้วเนี่ยก็ยังผู้ที่มีพระคุณต่อเราอีกหลายท่านลองนึกดิครับเราจะเมตตา ง, ง่ายขึ้นแม้แต่ว่าบุคคลนั้นจะได้อ่าจะจะได้ตายไปแล้วกว็าตามนี่นะเราลองนึกดูดิครับนะก็ยังมีสัตว์มีเป็นอารมณ์อยู่ถูกไหมครับอาจารย์ถ่ายเราจะนึกง่ายขึ้นเยอะเลยนั่นแหละถ้าหากว่าเรา นึกเป็นเมตตาได้แล้วก็เจริญไปหาบุคคลต่างๆนะเมื่อเราเจริญไปหาคนที่เราเคารพแล้วก็สังเกตดูสภาพจิตเป็นเมตตาเกิดขึ้นเสร็จแล้วนะเจริญไปหาคนอื่นนะจิตต้องเหมือนเดิมเราคิดไปหาคนที่เราเคารพยังไงคนต่อไปที่เราเจริญต่อเวทนาเนี่ยต้องเป็นเหมือนเดิม น, นะเรียกว่ามหากุสลมันเกิดขึ้นจะมีเวทนาใช่ไห เวทนานั้นเป็นโสมนัสหรืออุเบกขาแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเมตตานีโสมนัสจะเกิดง่ายโสมนัสจะเกิดร่วมด้วยกับเมตตาจิตนัน้นนะส่วนใหญ่จะเป็นโสมนัสทีนี้เราก็สังเกตไปหาคนอื่นปั๊บเนี่ยนะโสมนัสหรือว่าเมตตาจะเกิดกับคืนนึกไปหาใครนีก็ยังมีเมตตาคล้ายๆกับยิ้มให้คนนี้เสร็จนะเห็นคนอื่นก็ยิ้มยิ้มด้วยความบริสุทธิ์ใจเหมือนเดิมยิ้มให้คนนี้โอ้ด้วยความหวังดีจริงๆเสร็จนะยิ้มไปหาคนอื่นก็เหมือนเดิมเลยสภาพจิตไม่เปลี่ยนแปลง นะฮั้นอาการที่หวังดีก็ยังเหมือนเดิมไปหาคนอื่นๆนั่นละ่ะลักษณะของการเริ่มเจริญเมตตาไปเรื่อยๆออให้ขนมกับหลานเรานะแล้วเราดูความรู้สึกเรานะต้องให้เหมือนกับว่าเราให้ขนมกับลูกของของของคนสวนเราเนี่ยนะถ้าทําใจอย่างนั้นได้นะนั่นแหละเมตตาแน่นอนนะแล้วลองสังเกตดูนะก็ไม่ง่ายนัก น, นะก็ไม่ง่ายนักนะเจนพานะ ถ้าหากว่าเราอาจจะเทียบเคียงนะสมมติพระเนี่ยท่านแนะนําอย่างนี้นะถ้าพระเนี่ยท่านจะเจริญไปหากับครัวอาจารย์ก่อนในวัดเดียวกันนะเราส่วนใหญ่แล้วบวชที่วัดไหนส่วนใหญ่ก็จะเคารพครัวอาจารย์ในวัดนั้นใช่ไหมก็เจริญไปหาท่านก่อนแต่ว่าขอให้ท่านสัตว์บุรุษผู้มีศีลนั้นจงมีความสุขนะขอให้ท่านสัตว์บุรุษผู้ผู้มีธรรมผู้มีวินัยผู้ประพฤติปฏิบัติดีเนี่ยเจริญมีความสุขความเจริญ ในาศาสนาขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านมีอายุยืนนั่นแหละเจริญไปหาท่านอย่างนั้นก่อนเสร็จแล้วก็เจริญไปหาเพื่อนพระที่อยู่ในวัดเดียวกันนั่นแหละอย่างที่สังเกตเห็นนะครับเวลาเราเวลาเวลาเราจเจริญเมื่อกุศลจิตประเภทเมตตาเกิดเนี่ยนะฮะ <c oughs> เราจะรู้เราจะรู้ลักษณะของของตัวเมตตาเลยว่าความรังเกียจในตัวบุคคลนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีนะฮะเช่นสมมติ ว, ว่า เราเจอคนแปลกหน้าหรือว่าใครก็แล้วแต่นะถ้าหากว่าเป็นคนที่มีอายุสักหน่อยมีหรือว่าแต่งเนื้อแต่งตัวก็สกปกอะไรเนี่ยนะถ้าเราเมตตาเกิดนะความรังเกียจความรังเกียจเขาจะไม่มีเลยนะจะไม่รู้สึกรังเกียจเลยนะครับและความรู้สึกสบายใจมันเกิดขึ้นนะลองดูนะฮะ ถึงถึงไปคุยกันไม่รู้เรื่องนยะก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าอย่าเพิ่งทะเลาะกันก็ใช้ได้เผื่อวันหลังจะได้คุยกันได้อีกนะอย่าขึ้นกับถึงกับมีปากมีเสียงก็บอกว่ามีชาดกอยู่เรื่องหนึ่งนะถึงเราโกรธเราก็ไม่พูดก็บอกว่าเออโกรธก็ทํามันโกรธไปแล้วทําไงก็อย่าพูดด้วยวาจาที่เกิดด้วยความโกรธก็บอกช่วงนี้แยกก่อนก็ได้อ่าเขามีชาดกอยู่เรื่องหนึ่งในพระโพธิสัตว์นะมีอะ มีคนสวนอยู่คนหนึ่งทีนี้พระโพธิสัตว์นี่เมื่อมีคนสวนนะ่ะวันหนึ่งก็มีพระประเจกเข้ามาพักในสวนคนสวนก็คอยอุปถักพระราชานี่ก็ไปบำรุงพระพระพระประเจกที่ที่เข้ามาพักในสวนทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งพระราชาเนี่ยไปไปรบทัาบจับศึกคนสวนเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยพระพระท่านไม่อยู่ พระเนี่ยท่านออกไปข้างนอกท้าปเจกเนี่ยท่านออกไปข้างนอกทีนี้คนสวนเนี่ยเอ๊ะจะฆ่าเนื้อก็เลยถือหอกอันหนึ่งเดินนะเห็นพระเนี่ยก็ท่านก็เข้ามาพอดีท่านก็เดินจงกรมนะตะคุมตะคุมแต่คนสวนก็เอ็นเนื้อแน่นอนก็เลยพุ่งหอกพวดเข้าไปทิมพระตายอ้าวตายเลยพระเนี่ยนึ ก, กว่าเนื้อก็เลยกลัวพระราชาจะจะตาหนิเอาก็เลยหนีไป พระราชาเนี่ยกลับมาก็เสียใจมากว่าคนสวนเนี่ยฆ่าพระทิ้งอเลยก็ยังไม่ได้สืบสวนอะไรสักอย่างทีนี้หายไปลหลายปีคนสวนเนี่ยพาครอบครัว น, นี้ไปลหลายปีก็กลับมาหาให้สองคนเนี่ยบอกว่าอยากจะกลับมาทําสวนคืนเนี่ยพระราชาจะมีท่าทียังไงนะก็ให้คนเนี่ยมาม า, ม า, ม า, มาลองคุยกับพระราชาก่อนทีนี้พระราชานีไม่พูดถึงเลยใช้ครั้งที่หนึ่งใช้ครั้งที่สองก็ใช้ครั้งที่สมก็ใช้ตอนหลังอีก ครั้งที่สี่ก็บอกไนร้องเรียกเข้ามาดูสิก็บอกเขาก็เล่าถามว่าทําไมจึงฆ่าพระก็บอกว่าไม่ได้ฆ่าก็เล่าความเป็นไปให้ฟังทั้งหมดทีนี้ก็มีถามว่าทําไมครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยมีคนมาถามและพระองค์เฉยก็บอกตอนนั้นเรายังโกรธอยู่เราเลยยังไม่พูดนั่นแหะเพระนั้นการโกรธเนี่ยถึงกับไม่เปล่งวาจาหรือสามารถยืดเวลาออกไปก็ดีแล้วถึงกับ ถึงกับไม่เปล่งวาจาเพราะเพ่อยังโกรธอยู่ใช่ไหมก็อย่ายัางไงก็นึกไม่พอใจแต่ถึงอย่ายให้ถึงกับเป็นวจีทุจริตออกมาให้เป็นเป็นวจีกรรมออกมานั่นแหละนี่เป็นประโยชคะที่น่าสนใจไหมการที่พระองค์เนี่ยะระ ง, งับวจีทุจริตนี่นะหรือว่าไม่เปล่งออกมาเนี่ยนะฮนี่เป็นเรียกว่าเป็นประโยคสมบัติอย่างเยิ่มเลยใช่ไหมครับเจริญพรถ้าหากว่าเรียกมาวันนั้นปั๊บ ถ้าเรียกมาอาจจะถูกตัดคอก็ได้คนสวนเพราะไม่พอใจอยู่แล้วใช่ไหมเขาโกรธอยู่แล้วอ่ะฆ่าพระได้ยังไงใช่ไหมฆ่าพระปเจกด้วยโหแค้นมากทีนี้ถ้าเรียกมาปั๊บเนี่ยก็เอาเหตุผลมาอ้างยังไงบอกตอและนะ้วนี่ใช่ไหมแต่ตอนพอจิตเป็นธรรมแล้วก็เรียกเขามาถามมาเรื่องไปยังไงก็จะฟังด้วยจิตที่ไม่เป็นอคตินะพอไม่เป็นอคติอะไรผิดอะไรถูกก็แก้ปัญหาไปตามผิดถูกนั้นๆไปนี้ประโยคะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องกรรม โดยตรงเลยอ่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องกรรมทั้งระยะสั้นระยะยาวนะเนี่ยผลจากประโยคน์ขาเนี่ยจึงน่าสนใจน่าศึกษามากเลยเนะครับแสันโดดนี่เป็นกุศลหรืออกุศลกรันอ่าต้องเป็นกุศลก่อนนะันความสันโดษนี่เป็นประเภทศีลคาถาเป็นประเภทเกี่ยวกับเรื่องศีนนั่นแหละอันสันโดษนั้นเป็นเรื่องศีน เมื่อเป็นศีลป้าบเนี่ยนะการค้าขายเป็นต้นเราตั้งเป้าไว้ก็คือตามความชอบธรรมของเรื่องนั้นใช่ไหตั้งเป้าหมายตามลักษณะความชอบธรรมของเรื่องนั้นอ่าเสร็จแล้วก็พิจารณาเรื่องนี้เป็นอาชีพของเราพิจารณาเป็นอาชีวะศีล น, นะแล้วก็รักษากุศลจิตไว้ได้อนั้นก็เป็นสันโดษนะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดสันโดษต้องเป็นกุศลประเภทกุศลศีล น, นะ นี้ก็จะเป็นประเภททานนักุศลก็ได้เจนพานประเภททานกุศลก็ได้อเมตตาจิตเกิดก็เลยให้ทานไปเลยก็ได้เจนพานเพราะแต่ถ้าที่เป็นสันโดษก็คือในเบื้องต้นที่สุดก็คือเรารู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยโดยชอบทมนี่มันเท่าไหร่ใช่ไหมเราตั้งไว้โดยชอบธรรหละเสร็จแล้วการตั้งไว้โดยชอบธรรมแล้วปารบเรื่องนี้เป็นอาชีพของเรานะลักษณะนี้จึงจะเป็นเรื่องของ สันโดษเพราะสันโดษต้องเป็นไปกับกุศลเจนพาต้องเป็นไปกับกุศลขณะนั้นจิตต้องเป็นกุศลที่ว่าสันโดษเมื่อกี้หมายถึงว่าถุกตัวอับพยากตะนะนะสีเสียงกินรสเนี่ยทั่วไปเรียกว่าอับพยากตะธรรมตัวอับพยากตะธรรมเนี่ยเช่นจีวรทพระนะจีวร อ, อาหารบิณฑบาต ท, ที่อยู่อาศัยยารักษาโรค พระพุทธเจ้าสอนให้สันโดษไอตัวนี้วัตถุข้างนอกเนี่ยให้สันโดษแต่จิตนี่ต้องไม่สันโดษวันนี้เราเจริญกุศลได้เท่านี้พรุ่งนี้ต้องมากกว่านี้พรุ่งนี้ต้องมากกว่านี้ขึ้นไปเรื่อยๆ<ม>ต้องตั้งจิตไว้เป็นลักษณะแบบนี้จึงจะอ๋อไม่ใช่อาารเจริญกุศลเนี่ยนะเพราะกุศลจะฝ่ายกุศลด้วยกั น, นะกุศลจะฝ่ายกุศลผู้กุศ ล, ลจิตเป็นปัจจัยโดยเป็นอารมณนาทิปติแก่ ก, กุศลท่าน กุศลจะฝักฝ่ายในกุศลก็ถึงฝ่ายในกุศลจริงๆก็ไม่เป็นโลภะนะกุศลที่ฝักใฝ่ายในกุศลเป็นฉันทาทิปตินั่นแหละแล้วกุศลที่เป็นอารัมณปัจจัยให้กุศลนั้นเป็นอารัมนาทิปติเป็นอารัมณูปนิสยยเพราะฉะนั้นฝักฝ่ายในกุศลจริงๆจึงไม่ใช่ไม่ใช่โลภะแต่ทีนี้คนไม่ฉลาดคำอาจจะใช้คําว่าอยากหรืออาจจะใช้คำอะไรเงี้อาจจะใช้ไม่ถูกแต่จริงๆก็เป็นกุศ ล, ลเจตนา ซึ่งผู้ที่ฝักฝ่ายในกุศลเนี่ยเขาจะรู้เองว่าสิ่งที่เขาจะทำนั้นอ่ะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนั่นแหละนะยังไงถ้าเรือยิ่งใหญ่ ย, ยิ่งดีคลื่นมาก็จะได้ไม่เมาคลื่นนะแต่ว่าวิธีการเจริญกุศลเนี่ยคำสอนพระผู้มีพระภาคแสดงไว้เยอะเนาะใช่ไหมการทากุศลนี่ยเยอะไหเจริญผ่าน อย่างน้อยที่สุดนะขอให้ได้ที่ถูชุกกรรมขณะนี้สามารถเจริญได้ไหมที่ถูชุกรรมอย่างน้อยน้อยที่สุดนะเจริญกรรมมสัสกาตาให้มากๆเอาคําว่ากรรมมาคิดเยอะๆหน่อยนั่นแหะเอากรรมมสัสกาตามาคิดความคิดเรื่องกรรมเยอะๆหน่อยอันนี้ก็เป็นกุศลนั่นแหละพอกพูนความคิดเรื่องกรรมให้มากๆเจนทรถ้าเข้าใจเรื่องกรรมอย่างดีนะละเอียดคนนั้นเนี่ยปิดอบายได้ชาติหนึง่ง เอานะเข้าใจเรื่องกรรมดีเนี่ยปิดอบายได้ชาติหนึ่งนะก็ปัญหาที่สุดก็คือวันนี้ขอให้มีทานก่อนเถอะพรุ่งนี้ว่าอีกทีมันหมายความว่าไม่ใช่โหวันนี้ก็ยังหิวฟอเลยมีคนเอาข้าวมาให้จานหนึ่งนะบอกไม่เอาหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีกินอนยะ่างเงีวันนี้ก็กินไปก่อนเดี๋ยวกินอิ่มแล้วค่อยทําต่อไปอีกไม่ใช่โหปัดกุศลอันนี้แล้วอดเลยอ่ะนะอย่าว่ามนุษย์คืนนี้ยังไม่ได้เนี่ยลําบากลนะ มันก็ขอให้มันได้ก่อนอย่างน้อยที่สุดนะกุศลที่น่าเจริญมากเลยก็คือการพิจารณาเรื่องกรรมนะเป็นธรรมะประเภทที่ถูกชุกกรรมเป็นเป็นบุญกิริยาวัตถุข้อที่ที่สิบนั่นแหละเป็นข้อสุดท้ายนะอย่าง น, น้อยที่สุดเห็นปุ๊บเนี่ยนั่งคิดเลยเอออะไรเป็นกรรมอะไรเป็นผลของกรรมใช่ไหมตาเนี่ยเออตัวตาเราเป็นผลของกรรมนะตัวจักขู่จริงๆเป็นผลของกรรม สีสีบางอย่างเป็นผลของกรรมนะจิตเห็นเป็นผลของกรรมเนอะนะก็คิดเสร็จแล้วนะถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆนะต่อไปว่ากรรมจะให้ผลโดยอาศัยหนึ่งกาละสองคติสามอุปธิสี่ประโยชน์คะนี่ก็เริ่มศึกษาจากขูวัตถุของเราเนี่ยทําไมวันนี้เห็นไม่ค่อยชัดเลยอ๋ออุปธิไม่ค่อยดีตาไม่ค่อยดีเล ย, ย, เ, ลยเห็นไม่ค่อยชัดเอ๊ะทําไมคนนี้น่าจะเห็นนะเอ๊ะพ่อผิดกาละผิดกาละก็ไม่เห็นอ่ะ หรือเอ๊ะทำไมเห็นแล้วเขาไม่คุยกับเราไม่ได้ยินเสียงเขาเลยโอ้เราเนี่ยไม่มีเมตตาเราขาดประโยคะถ้าเราพูดกับเขาซะ ก, ก่อนเขาคงคุยกับเราปุ๊บเราจะเริ่มรู้นะกาลคติอุปธิประโยคะจะเข้ามาจะเริ่มรู้อถ้าคนที่สามารถเจริญกาลคติอุปธิประโยคะได้คนนั้นก็จะรับนิบากได้ใช่ไหมขณะนี้นะขออนุมานะถ้าจะเกิดประโยคะปุ๊บนะให้คนโกรธยังได้เลยนะ จะเห็นคนโกรธทันทีเลยก็ได้ลุกขึ้นด่าเขาสิไม่ด่าขึ้นอ่ะแล้วแต่ประโยคะนะพูดกับเขาดีๆเขาก็าคุยกับเราดีด้วยนะเพราะนั้นเราก็ต้องสังเกตดูอะไรเป็นกรรม น, นะตัวกรรมอะไรเป็นตัวผลของกรรมอะไรเป็นกาละอะไรเป็นสติอะไรเป็นอุปธิอะไรเป็นประโยชน์คะนะเข้าใจเรื่องนี้ให้ชัดๆในหนึ่งอารมณ์พ อ, อ น, นะค่อยๆแยกในหนึ่งอารมณ์เช่นมองเห็นนาฬิกาอะไรเป็นกรรม นะกรรมได้และจากครูวิญญาณเป็นผลของกรรมผลของกรรมจะให้ผลต้องอาศัยหนึ่งกาละสองคติสามอุปธิสี่ประโยคะอะไรเป็นกาละอะไรเป็นคติอะไรเป็นอุปธิก็จะค่อยๆ ค, คิดเรื่องนี้มากขึ้นมากขึ้นพวกนี้เป็นอะไรรู้ไหมยาตะปริญญานะเป็นกุศลประเภทยาตะปริญญานะเป็นกุศลอย่างดีถ้าตรึกอย่างนี้บ่อยๆเข้านะความรู้เรื่องขันธาตุอายตนะนี่จะไม่ยากเลย เพราเราจะเริ่มรู้อะไรคือขันก็คือในสิ่งเดียวนั่นแหละอย่างเช่นผลของกรรมปั๊บนะผลของกรรมบางอย่างเป็นนามขันเป็นอารูปขันโอ้เป็นทุกขสัตว์นะไอ้กรรมเจริญพรบางอย่างฮะตัวกรรมเนี่ยฝักฝ่ายแห่งสมุทัยสัตว์นะถ้าเรายังทํากรรมอยู่นี้อีกนะไอ้กรรมนี้เพื่อพบใหม่ จะเริ่มรู้แล้วถ้าเป็นผู้ที่เรียนรู้เรื่องนี้แล้วปฏิบัติเพื่อเบือหน่ายในสิ่งเหล่านี้พวกนั้นเป็นไปเพื่อผลกรรมนะเขาเรียกว่ากรรมดําให้ผลเป็นดําให้ผลไม่ดีกรรมขาวให้ผลปรีกรรมไม่กรรมทั้งดําทั้งขาวก็ให้ผลทั้งสุขและทุกข์แต่มีกรรมอยู่ข้อหนึ่งน่าสนใจก็คือกรรมที่เรียนรู้เรื่องนี้เป็นไปเพื่อละกรรมเป็นกรรมไม่ดําไม่ขาวก็คือมรรคกรรมทีนี้มรรคกรรมมันนั้นจะเกิดขึ้นได้ยังไง นะก็เกิดจากความรู้เรื่องนี้พอกพูนอันนี้มากๆขึ้นถ้ามัค ก, กรรมเกิดเป็นกรรมที่เป็นไปเพื่อความสินรรม้นตํามแม้แต่เรื่องกรรมก็ยังมีรายละเอียดต่อจะรักษาโรคเรือนอถ้าไม่รู้เรื่องโรคเรือนเลยะจะรักษาได้ยังไงอะ่ะเจนทอนใช่นั่นแหละฟลุกไม่มีหรอกเชื่ อ, อนั่นแหละก็ฟังประวัติศึกษามาหลายเรื่องเลยยังไม่เห็นใครฟลุกเลยยิ่งศึกษาพระธรรมคาสอนด้วยนะ ยิ่งเราอยู่ในเวทวงของพระพระสงฆ์เนี่ยไม่มีฟลุกเลยโอ้โหองค์นั้นฟลุกหน้าดูเลยนะศึกษาพระธรรมพ่วงผู้พูพ้ผู้ไม่มีมีรู้สึกจะจําได้นะมีอยู่คนเดียวเท่านั้นเองที่ตั้งอัตตาสมาปณิธิไว้ค่อนข้างดีนะเอาคมภี์อย่างเดียวเอาพระธรรมอย่างเดียวไม่มีกัลยาณมิตรอะไรมากมายนะแต่ก็เอาคําสอนเอาคมภี์ไว้อย่างเดียวส ร, สรุปแล้วนะตั้งแต่เจอคนมามีอยู่คนเดียวนั่นแหละที่ที่ที่เป็นคนเลย ทีเ่เป็นพระเป็นเนรอะไรเนี่ยมีอยู่คนเดียวนอกนั้นไม่เคยเห็นเลยเพราะฉะนั้นพวกฟลุกเนี่ยไม่มี